เรื่องและสังโยชน์หนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งแม้ภิกษุรูปนั้นก็กล่าวอวดว่าแม้กระผมก็ละสังโยชน์ได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่สิบ